ในบรรดา3วันที่ผ่านมาวันนี้เรานะถึงที่หมายนะเร็วที่สุดทั้งๆ ท, ที่ระยะทางนะก็ยาวกว่าวันแรกนะวันแรกเราเดิน13กิโลแต่ก็ถึง5โมงเย็นแต่วันนี้นะกิโลได้แต่ว่าเราถึง4มงครึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ทางเรียบเมื่อเคยมีทางชันแต่คิดว่าเหตุผลสำคัญคือเรามีความพวกเรามีความอึดมีความแกร่งมากขึ้นนะที่ก็เป็นหวมกันนะช่วงหยุดพักช่วงที่เดินช่วงที่สองตอนบ่ายเนี่ยเราเดินยาวเลยน ะ, ะเกือบแดนาทีเรียกว่านอนสต็อปเลยนะก็แล้วก็เดินกัน ไม่ได้ชะลอด้วยแต่ก็ทุกคนก็พาตัวเองมาแล้วก็พาเพื่อนๆมาจนถึงจุดพักจุดสุดท้ายนี่ก็แสดงว่าคนที่มาตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็เริ่มกำลังก็เริ่มอยู่ตัวแล้วมันไม่ใช่แค่กําลังนะไม่ใช่แค่กําลังเท้าหรือกําลังกายแต่ที่ใจด้วย นะคือใจไม่ไม่ท้อนะใจสู้หรืออาจจะเป็นเพราะเรานะเตรียมใจไว้แล้วนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับธรรมยาตานี่ก็พร้อมรับทุกอย่างนะน้อนรับทุกประการอย่างไม่มีเงื่อนไขยอย่างที่พูดไปเมื่อเชานะ้าเอาช่วงสามอันธผ่านมาโดยเฉพาะวันนี้นีนะ่เราเจอความร้อนนะเต็มเต็มเลย แต่ว่าเราก็นะก็เดินฝ่านะความร้อนเดินฝ่าแดดที่แรงกล้าไม่ว่ามันจะส่องหน้าส่องข้างหรือส่องหลังก็ตามจริงถ้ามองให้ดีนะนะความร้อนเนี่ยมันก็มีคุณประโยชน์นะมันสามารถที่จะเปลี่ยนคุณสมบัตินะของหลายสิ่งหลายอย่างช่วยยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น อย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะผลไม้ถ้ามันเจอแดดเจอความร้อนเนี่ยจากที่ดิบก็สุกมีความหวานอร่อยอคงมีผลไม้ที่เรากินดิบๆนะไม่กี่ชนิดนะแต่ส่วนใหญ่เราก็นิยมกินผลไม้ที่สุกมากกว่าเพราะมันอร่อยมันหอมหวานข้าวเนี่ยนะข้าวสารเนี่ยนะถ้ามันไม่เจอความร้อนซะก่อน มันก็ไม่สามารถจะเป็นข้าวที่เราใช้กินได้จะกินได้นี่ต้องผ่านความร้อนซะก่อนนะคือต้มให้มันสุกนะข้าวสุกก็จะเป็นข้าวที่หอมแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแป้งเนี่ยนะถ้าเราไม่ไปอบมันนะมันจะกลายเป็นขนมปังที่อร่อยได้อย่างไรนะ เหล็กที่ดีมันต้องผ่านความร้อนเรื่องผ่านการถลุงแล้วก็ผ่านการเผาแล้วต้องร้อนนะร้อนแบบแรงๆเลยมันจะกลายเป็นเหล็กกล้าเนื้อดีท้ทองก็เหมือนกันนะทองที่ยังเป็นแร่อยู่เนี่ยถ้าไม่ผ่านความร้อนเนี่ยมันก็เป็นทองเนื้อดีไม่ได้ ความร้อนเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนคุณภาพนะของของดิบให้กลายเป็นของสุกแล้วมันก็สามารถจะเปลี่ยนนะคนดิบให้เป็นคนสุกได้นะแน่นอนเนี่ยไอ้ความร้อนที่ว่านี่นะไม่ได้หมายถึงความร้อนนะที่เป็นอุณหภูมิสูงๆอย่างเดียวแต่หมายถึงความยากลำบาก การศึกษาเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนคุณภาพคนให้เป็นคนใหม่เราจึงใช้คำว่าอบรมนะคำว่าอบเนี่ยน่มันก็สอหเห็นถึงนะความร้อนรมก็เหมือนกันนะผมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะที่คำว่าคนโบราณเอาคำว่าอบรมเนี่ยมาใช้ สำหรับกระบวนการที่พัฒนาคนให้มีคุณภาพเหมือนกับที่เราใช้เปลี่ยนแป้งเนี่ยให้กลายเป็นขนมปังด้วยการอบให้ลองมองให้ดีๆน ะ, ะความร้อนอซึ่งทั้งร้อนจริงแล้วก็ร้อนในความหมายที่เป็นอุปมาปมหมายคืออุปสรรคความยากลำบากหรือความทุกเนี่ยมันสามารถที่จะ นะเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่ได้นะคนโบนราณก็ใช้คาว่าเปลี่ยนนะคนดิบให้กลายเป็นคนสุขกรนะบวนการนะที่เปลี่ยนคนให้เป็นคนสุขเนี่ยสมัยก่อนเขาก็อาศัยการบวชแล้วการบวชสมัยก่อนนี่มันก็มีกระบวนการต่างๆมากมายนะที่ลวแล้วแต่เต็มไปด้วยความยากลาบาก ความไม่คุ้นเคยเป็นเรื่องการฝืนเป็นเรื่องการขูดเป็นเรื่องการขัดเกลาทวนกระแสกิเลสคนเราเนี่ยถ้าถ้าอยู่แบบสุขสบายมากไปนะนอกจากจะไม่นอกจากจะไม่พัฒนาแล้วนะบางทีเป็นอันตรายด้วยนะชีวิตปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตที่เต็ไมไปด้วยความสุขสบายหรือสะดวกสบาย จนแทบจะไม่ได้ใช้แรงกายเดี๋ยวนี้เราไปไหนเราก็ไม่ต้องเดินแล้วมีรถจะขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองนะแค่ชั้นเดียวเราก็ไม่ขึ้นบันไดแล้วเราขึ้นลิฟต์นะหรือใช้บันไดเลื่อนสบายไหมสบายแต่ชีวิตแบบนี้นะ มันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายเพราะว่าพอสบายมากเนี่ยมันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้โรคนานาชนิดมันก็ถามหาคนสมัยใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคเกี่ยวความดันเพราะว่าเราใช้ชีวิตสะดวกสบายมากไป เดี๋ยวนีคนสมัยนี้กลัวเหนื่อยอการออกกำลังกายก็เลยไม่นิยมเท่าไหร่บางทีพ่อแม่ก็ตามใจลูกแบบนั้นด้วยงันถ้าหากว่าเรานะไม่กลัวเหนื่อยนะสุขภาพเราจะดีขึ้นแล่ถ้าเราไม่กลัวลำบากนะสุขภาพใจนะไม่ใช่แค่สุขภาพกายเดียวก็จะดีขึ้นด้วย เพราะว่าความลำบากมันทำให้จิตใจเนี่ยเข้มแข็งมันทำให้มีความอดทนแล้วก็ไม่ถูกคุกคามด้วยความทุกข์เมื่อสัก 6-7 ปีก่อนเนี่ยนะรายการคนคน้นคนเคยไปสัมภาษณ์คุณย่กคนหนึ่งนะเรียกเรียกว่าย่ายิ้ม ไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงหรือว่าเป็นชื่อทีอ่ตั้งขึ้นมาจากคนที่รู้จักเพราะว่าคุณย่าแกยิ้มตลอดเวลาแกขึ้นไปอยู่บนเขานะที่พิศนุโลกแล้วก็ปลูกผักนะแล้วใช้ชีวิตแบบง่ายๆแต่ก่อนนะก็มีลูกนะขึ้นไปทำไร่ แต่ตอหลงลูกกนะ็เข้าเมืองย่ายิ้มเนี่ยแกก็ชอบชิบนหลังเขาปลูกกระตอ๊อบง่ายๆแล้วก็ปลูกผักช่วงเข้าบรรษาเนี่ยนะวันพระนี่แกจะลงมาลงเขามาเดินนั่งแปดกิโลนะเดินลงจากเขาแล้วก็ตรงไปที่วัดเนี่ยลงแล้วก็แปดกิโล นะมาจำศีลพอรุ่งขึ้นก็แกกนะ็ขึ้นเขากลับเดินนะบางวันก็ดีหน่อยนะมีลูกหลานหรือเพื่อนบ้านขับรถไปส่งแล้วก็ขนเอาข้าวสารนะน้ำพริกนะหรือว่าของแห้งเนี่ยขึ้นไป ก็ทำให้แกก็ใช้ชีวิต อ, อยู่วนเข่าได้พิธีกรคนๆ ค, คนก็สัมภาษณ์นะสักถามันหลายเรื่องมีคนหนึ่งก็ถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีฝนตกนะลงมาลำบากขึ้นก็ลำบากนะไม่มีใครเอาข้าวมาส่งแกจะอยู่ยังไงนะแกก็บอกก็หาเผือกหา หามันหาขากรอยนะตามตามไร่ตามป่าพิธีกรถางไม่ลําบากเรยนะไม่กินข้าวกินนะกินแต่มันกับกรอยจะบไม่ลําบากหรอกนะก็มันเคยแล้วหนาพิธีกรก็ถา่ายมาเนี่ยอยู่บนเขาเนี่ยคนเดียวเกิดเจ็บเกิดป่วยทวําไงก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่เคยเป็นนะถึงเป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ก็มันเคยแล้วหนาหม้อข้าวแกก็นะมันก็รั่วนะแกเวลาผุงข้าว ก, ก็ตะแคงพี่ก็ถามว่ามันไม่ลําบากเหรอไม่ว่าไม่ลำบากหรอกนะก็มันเคยแล้วหนาคือถามอะไรแกนี่นะแกก็จะยิ้มนะแล้วก็บอกว่าไม่ลําบากเลยเพราะเคยแล้วสาวญาติยิ้มนี่ไม่มีคําว่าลําบากเพราะว่าเคยแล้วทั้งนั้นเคยที่ว่านี่คือเคยลําบากมาแล้ว เพราะนั้ น, นยายยิ้มจึงสามารถจะอยู่บนเขาแบบง่ายๆดูแลต้นไม้สิงสาราศาสตร์บนนั้นได้มีความสุขเรียกว่าแกเป็นคนที่อยู่ง่ายเพราะว่าสุขง่ายอันนี้อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานอยู่เรียบง่ายจะเป็นไปได้ก็เพราะามีสุขที่เรียบง่ายเนี่ยรับรองรองรับหรือว่าหล่อเลี้ยง แ, แกก็เป็นคนที่ไม่ใช่แค่สุกง่ายเดือยนะแกเป็นคนที่ทุกยากด้วยทุกยากหมายความว่ามีความทุกข์ได้ยากความทุกข์เนี่ยหมายถึงทุกข์ใจนะแกไม่ค่อยทุกข์ใจอะไรทั้งที่ชีวิตแกเนี่ยดูแล้วมั น, นมันน่าจะลําบากอะลำบากกายก็จริงนะเช่นเดินก็ย่องก็แย่งลงมาจากเขาเดินอีกเดินวันหนึ่ง8ปกิโลนะคิดดูสิกี่ชั่วโมงอะขนาดเราหนุ่มสาวนี่แชั่วโมงก็ต้องเดิน อัแปดกิโลเดินสองชั่วโมงมีทางเรียบนะทีแกเดินลงเขามาก็คงสองสมอย่างน้อยก็สามชั่วโมงแต่แกไม่รู้สึกว่าทุกใจเลยนะเพราะอะไรเพราะเคยแล้วให้ความทุก์เนี่ยความยากลำบากเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันช่วยนะทำให้เกิดความคุ้นเคยอัตมาเรื่า มันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์คนเราเนี่ยนะมันก็ต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆอย่างที่เราสวดมนต์ทุกเช้าเนี่ยทุกข์ับประเรตาเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาละนี่ทุกขโขตินนาะทุกข์ับประเรตามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้านะรออยู่แต่ว่าเมื่อไปเจอมันแล้วนะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นทุกข์เสมอไป เจอทุกข์นะแต่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันความทุกข์ก็มันเคยแล้วเนี่ยะมันจะทุกข์จะร้อนอะไรภูมิคุ้มกันความทุกข์เนี่ยจำเป็นต้องมีนะคนเราเนี่ยจะต้องมีภูมิคุ้มกันความทุกข์เนี่ยถึงจะสามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขภูมิคุ้มกันความทุกข์จะมาจากไหนนะก็ต้องเจอความทุกข์อยู่นะอยู่เรื่อย นะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจเรามันก็เหมือนกับภูมิคุ้มกันเชื้อโรคอันนะเรามีภูมิคุ้มกันโรคนะหลายชนิดบางอย่างก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่บางอย่างก็อาศัยการฉีดวัคซีนแต่ไม่ว่าเกิดขึ้นเองหรือว่าฉีดวัคซีนเนี่ยนะ ไอ้ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะั่นก็คือเชื้อโรคนั่นแหละเชื้อโรคที่ถูกทําให้อ่อนแอหรือว่าเชื้อโรคที่ตายแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีโครงสร้างฉีดเข้าไปทําไมนะเพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกาัน ร, ร่างกายเรารู้จักแล้วก็จับมันได้ตอนที่ฉีดไปบางทีก็อาจจะเป็นไข้นะ แต่ว่าอ น, นิสงค์หรือผลประโยชน์หรือผลที่ได้นี่มันยั่งยืนแต่ว่าจะฉีดล็อกซิงเดียวมันก็ไม่พอนะมันต้องเจอเชื้อโรคในชีวิตประจําวันด้วยไอ้เชื้อโรคนะที่เจอในชีวิตประจําวันเนี่ยมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายเป็นภูมิคุ้มกันเชื้อโรคสมัยนี้เนี่ยการเลี้ยงดูลูกเนี่ย ก็จะในเรื่องความสะอาดลูกพ่อแม่ก็มอยากให้ลูกได้ไปเจอเชื้อโรคลูกจะเล่นดินเล่นทรายนะก็ไม่ยอมที่บ้านนี้ก็มีการกำจัดเชื้อโรคเดี๋ยวนี้มันจะมีน้ำยาเอวยเครื่องปะทินโฉมเอวยเนี่ยรู้แล้วแต่ช่วยกำจัดแบคทีเรียสบู่กำจัดแบคทีเรีย น้ำยากำจัดแบคที ria นะหรือว่าน้ํายากำจัดแบคทีรียทั้งในภาชนะนะหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเรากลัวเชื้อโรคกันมากแต่วเราคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายจะไม่เจอเชื้อโรคเนี่ยมันจะมีสุขภาพดีแต่ที่ไหนได้นะคือความเสี่ยงนะและพอถ้าร่างกายเราไม่เจอเชื้อโรค อยู่บ้างเนี่ยนะแล้วมันจะมีภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างไร้เด็กชนบทเนี่ยเขาเล่นกับดินกับทรายเล่นกับน้ำบางทีน้าคลองเนี่ยบางทีก็กลือน้ำคลองลงไปอันนี้แหละนะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดีเด็กที่เ ต, ติบโตมาแบบวิถีธรรมชาติแบบนี้จึงไม่ค่อยเป็นโรคแพ้เดี๋ยวนี้คนเนี่ยเป็นโรคแพ้นอนแพ้นี่กันมาก บางทีแพ้ตั้งแต่เล็กพอโตขึ้นก็หอบผื่น <Yeah. S 1> อย่างนี้ก็แพ้และอองเกสรแพ้สารพัดโดยเพราะโรคประเภทมือเท้าปากยอย่างนี้เป็นกันมากนะกับเด็กในเมืองเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยอนามัยจัดนะเด็กก็เลยไม่ค่อยได้รับเชื้อโรคหรือแบคทีรียที่มีมาตามธรรมชาติ จริงตั้งแต่คลอดแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้เขาก็พบนะว่าการที่คลอดแบบพาหน้าท้องเนี่ยมันปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้รับเชื้อโรคที่มันสะสมอยู่ในช่องคลอดของแม่แถ้าเด็กคลอดตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไปเจอแบคทีเรียนในช่องคลอดแล้วมันก็เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกเดี๋ยวนี้แถมยังกินยาปฏิชีวนะกันมากมายในกระเพาะอาหารนี่ก็เลย เชื้อโรคดีๆก็ตายไปเยอะไอ้เชื้อโรคที่มันช่วยนะรักษาร่างกายของเราหรือว่าย่อยอาหารบางชนิดนะให้มีแร่ธาตุบางอย่างนะที่เราไม่สามารถจะได้มาจากธรรมชาติคืออาหารเดีย๋ยวนี้เรากาจัดเชื้อโรค ก, กันแม้กระทั่งในลำไส้ใหญ่ก็เชื้อโรคบางอย่างก็หายไป เกิดโรคต่างๆมากมายที่รักษาไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีวิธีการนะต้องเอาเชื้อโรคเนี่ใส่เข้าไปในร่างกายใหม่ทั้งทางปากก็ดีหรือแมก้กระทั่งทางทวารหนักนะในเดี๋ยวนี้มันมีการบำบัดแบบใหม่นะเอาเชื้อโรคใส่เข้าไปทางทวารหนักให้กับไปทางลำไส้ใหญ่หรือว่าเป็นการปลูกถ่ายอุจจละจากคนนั้นจากคนอื่นที่เขามีเชื้อใส่เข้าไปนะเอ้ยมันช่วยรักษาได้นะ อันนี้มันแสงเห็นเลนะว่าเชื้อโรคมก็มีประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้เรากลัวเชื้อโรคกันมากสุดท้ายเราก็เลยพาตัวเข้าไปสู่ความเสี่ยงเพราะว่าไม่มีผุ้กกันโรคที่ควรจะเป็นทำนองเดียกันเราก็กลัวนะกลัวความทุกข์กลัวความยากลําบากไม่อยากจะให้ลูกได้เจอความยากลําบากตัวเราเองก็กลัวความยากลําบากหารู้ไมมว่าไอการ ทำตัวแบบนั้นเนี่ยหรือการหลีกเลี่ยงความยากลำบากเนี่ยมันทำให้จิตจังเราเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์เราเป็นคนเราก็เลยกลายเป็นคนที่ทุกข์ง่ายมีอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็เสียใจหัวเสียหงุดหงิดเดี๋ยวนี้เจอความผิดหวังทั้งที่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็น้อยเนื้อตาใจ นะรุ่มใจเสียใจบางทีถึงกัฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นแม้กระทั่งเด็กอายุไม่มากเพราะว่าเขาไม่เคยได้เจอความผิดหวังก็เลยไม่มีภูมิคุ้มกันความผิดหวังถ้าได้เจอภูมิคุ้มกันความผิดหวังบ้างเนี่ยเจอความผิดหวังไม่สมหวังนี่มันก็มันก็เฉยนะหรือว่ายิ้มได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะมาเจอความยากลำบากบ้างหรือพ่อแม่เนี่ยส่งเสริมให้ลูกได้ไปเจอความยากลำบากบ้างที่จริงมาเริ่มแต่ให้เด็กนะไม่กลัวเหนื่อยนะเช่นออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยนะก็ออกกำลังกายเป็นประจำก็เป็นความเหนื่อยแล้วก็เป็นความลำบากชนิดหนึ่งนะของคนสมัยใหม่ หลายคนก็ไม่ชอบอยากจะอยู่สบายให้ความสบายนี่มันฆ่าคนมานักต่อ น, นักแล้วนะฆ่าเพราะโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นในการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นสิ่งสาคัญแต่ถ้าไม่เพนะ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับร่างกายแต่ว่าเราต้องทำอย่างนั้นกับจิตใจด้วย จิตใจเราจะเข้มแข็งมีกำลังวังชาได้กรเพราะเจอความยากลาบากอยู่ บ, บ่อยๆมันก็มอนกนเด็กนะที่ต้องมีการบ้านถ้าเจอการบ้านเด็กก็จะฉลาดเพราะว่าได้ฝึกฝนได้ขัดเกลานะไม่มีเด็กคนไหนชอบการบ้านนะแต่ว่าการบ้านมันก็ทำให้เด็กฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ฉลาดที่หัวสมองแต่ว่า จิตใจก็เข้มแข็งไม่กลัวไม่กลัวการบ้านรายงานจะยากยังไงเด็กก็ไม่กลัวถ้าเด็กฉลาดก็จะพบว่าโอการบ้านก็ดีรายงานที่มันยากก็ดีมันเหนื่อยนะแต่มันทำให้มีปัญญามากขึ้นเด็กหลายคนที่ฉลาดนี่เขาก็จะไม่กลัวการบ้านไม่กลัวรายงานที่มันยากแล้วก็ไปคิดหาทางลัด หลายคนไม่อยากเหนื่อยนะก็ไปไปคน้นไปลอกจาก Google, วิก i พีเดียมาตัดแปลนะไม่อยากเหนื่อยไงแต่ถ้ายอมเหนื่อยนะเด็กจะได้ความรู้เด็กจะฉลาดเด็กจะไม่กลัวความยากลำบากแล้วมันจะช่วยเสริมสร้างความใฝ่รู้ความใฝ่รู้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้ากลัวสิ่งยากเพราะว่า ถ้ากลัวสิ่งยากแล้วเนี่ยไอ้การที่จะขยันค้นคว้าหาความรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสมเด็จพระุโคสาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าเด็กไทยหรือเยาวชนไทยนยต้องมีคุณสมบัติสองประการเป็นพื้นฐานนะคือไฝ่รู้สู้สิ่งยากไฝ่รู้สู้สิ่งยากที่จริงผู้ใหญ่ก็ต้องมีนะ อ, อย่างนี้เรียงน้อยเนี่ยก็ต้องไม่กลัวความยากลาบากความยากลาบากมาก็เออ น้อมรับนะอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราก็น้อมรับยอมรับแต่บางทีไม่ต้องรอให้มันมาหานะเราต้องเดินเข้าไปหามันเองอย่างธรรมญถาตานี่นะมันมันเป็นการเดินหน้าเข้าหาทุกนะไม่ใช่เพื่อทรมานตนนะแต่เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จากทุกข์เพื่อที่เราจะได้ประโยชน์จากทุก เราจะได้ประโยชน์จากความยากลำบากนั้นถ้าเรารู้จักทุก์เราก็จะฉลาดถ้าเราเกี่ยวข้องกับทุกเป็นเจอทุกก็ไม่เป็นทุกใจเราจะฉลาดแล้เราก็จะเข้มแข็งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมามาเดินธรรมยารานี่นะก็ให้เราลองมองว่าเนี่ยความยากลำบากความเหนื่อยความร้อน เป็นของดีที่มันจะช่วยทำให้จิตใจเราเข้มแข็งกล้าแกร่งแล้วก็ร่างกายเราก็จะมีกำลังวังชาด้วยไม่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับความสุขที่เรียบง่ายและมันทำให้เรามีความทุกขได้ยากขึ้นเรียกว่าสุขง่ายแลแล้วก็ทุกข์ยากนะ สุขก็ง่ายอยู่ที่ไหนก็สุขได้นะไม่ต้องไปเที่ยวห้างไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตนะหรือว่าไปต่างประเทศหรือว่ากินของแพงๆเราสุขได้ง่ายและความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเรายากเนะเรียกง่ายว่าสุขง่ายทุกยากาคำเนียวเพืา่านีนะกลับมาพร้อมกัน